สิกขาบทที่8เรื่องพระชัพพคี593สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสูจชัพพักีนั่งแกว่งแขนห้อยแขนในละแวกบ้านพระบัญญัติ8พึงทำความสำเนียงว่าเราจะไม่นั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงนั่งแกว่งแขน เพินั่งประคองแขนในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งแกว่งแขนให้แขนในละแวกบ้านต้องอบัตทุกข์กดอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นพิสูตไม่จงใจ2อพิสูตไม่มีสติ3าพิสูุผู้ไม่รู้4ีพิสูตผู้เป็นไข้5้พิสูตอยู่ในที่พัก6กพิสูุผู้มีเหตุขัดข้อง7จพิสูตวิกลจริตแปพิสูตต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ